เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาเขาจะสําคัญตัวว่าประเสริฐเลิศล้ำสักเพียงใดกอดตามเขาจะแข่งดีกับพระพุทธศาสนาสักเพียงใดก็ดตามรัตติต่างๆก็เท่ากับว่าบ้วนน้ำลายขึ้นฝ้าแข่งดีกับฝ้าก็เท่ากับว่าคนตาบอดแข่งดีจะส้นเข็มเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นของสูง ไม่เป็นของต่ำใครจะถือว่าต่ำสักเรียงในก็ตามก็เป็นของสูงอยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติของพุทธศาสนาไม่ลดเรื่อนไปทางไหนเป็นของมีคุณค่าอยู่ทุกยุคทุกสมัยของนักปราชญ์แต่ก็ตรงเงินข้ามผู้มีนิสัยวาสนาสร้างบารมีมานานเป็นผู้บาบางมาทางกิเลสแล้ว จึงยินดีในเรื่องใสในธรรมพุทธศาสนาเพราะกุศลกรรมมากส่วนผู้อกุศลกรรมมากบันดาลไม่ให้ยินดีบันดาลมาให้เรื่องใสบันดาลไม่ให้สนใจสนใจไปทางอื่นซักเพราะกรรมมุนีนาวัตติโร ก, กูสรโลกเป็นไปตามกรรมที่ตนสร้างไว้ถ้ากรรมไปทางบาปเนีก่ก็บันดาลมาให้เรื่อใสในพุทธศาสนา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 โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคัญจสะสนังคาตูผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในกิตในใจแล้วผู้นั้นละโลกแล้วย่อมไปบันเทิงในสวรรค์สมา ท, ทิิความเห็นชอบคือเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนายินดีในทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นของเมียขามีคุณ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 เป็นประมุก ข, ของประเทศตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ขององค์ท่านก็นับไปในทางพระพุทธศาสนาร้อยเปอร์เซนก็มาได้เราเป็นเรื่องอย่างอันดีแล้วเราอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปประเทศสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรเอตมังขารมุตตะมังเป็นมงคลอันอุดมดี ประเทศอันสมควรภายนอกก็คือประเทศไทยของเรานี่นะถือพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากจนสักเพียงใดก็ตามก็ต้องมีที่อยู่ที่กินที่อาศัยยิ่งกว่าประเทศอื่นอีกใครมีสตางค์จะทื่ซื่อที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็เหมือนกันประเทศอื่นๆก็ต้องมีการบังคับได้ยินทราบข่าวเขาเรา ในการบางังคำในการซื้อซื้อมากก็ไม่ให้ซื้อเพราะจะไม่พอกินกันเหตุไฉนไทยประเทศไทยจึงมีอาหารมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็รื่อุปโภคบริโภค บ, บ, บริบูรณ์กว่าประเทศอื่นก็ประเทศไทยมีทานวัดศีลวัดภาวนาวัดประจำอยู่ไม่ขาดถึงจะมีโจรมีผู้ร้ายมาปะปนอยู่ก็เป็นเรื่องของพวกโจรพวกผู้ร้ายส่วนนักปาชก็มีอยู่เป็นหัวจักอยู่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 ถึงท่านผู้มีกิจใจในกุศลผลบุญของประชาชนอีกด้วยรวมกันเรียกว่ารัฐบาล ร, รัฐแปลคงจะแปลว่าแผ่นดินบ้านคงจะแปลว่าปกครองปกครองกันในทางธรรมสามัคคีธรรมอาศัยรับธรรมเป็นเครื่องปกครองถึงจะมีคนชั่วประปอนอยู่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 ใจบอกเขารับใช้ใจไปเวลารับได้เวลารับไม่ได้จะบอกสักเพียงไหนเขาก็ไม่รับเช่นป่วยหนักนอนขาที่จะไหวตึงไปมาก็ไม่ได้เขหมดกำลังกายเขาก็ไม่ช่วยใจจะบอกสักเพียงไหนก็ไปไม่ได้ค่าขาับคนขับรถเมื่อรถมันหักแล้วมันชำรุดเกินไปแล้ว จะปตีอบทกเสียง er, ให้มันไปมันก็ไม่ไปฉันใดกรณีร่างการสังขารเมื่อมันสุดโสมาแล้วมันไปไม่ไหวจะบังคับใจจะบังคับโอหัองบังคาโอสักเพียงไม่เพียงใดก็ไปไม่ได้เหตุฉะ่นั้นจึงสร้างกุศลผลนบนไหวที่ใจให้เป็นที่พึ่งอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน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 ถ้าใจได้ทำใจก็ตอบตอนได้แม้เกื้อขืนถ้าใจไม่ได้ทำใจจะโกหพกพกวลมตนเองสักเพียงใดก็ตามก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นที่สนิทใจอีกด้วยพระนัติโลเกและหนามะความรับไม่มีในโลกโลกก็คือใจของเรานี่เองเราทำดีเราก็รู้จักเราทำชั่วเราก็รู้จักไม่มีความลับเราเริ่มเสยพระพุทธศาสนาเราก็รู้จัก เราไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็รู้จักเหตุนั้นทำของพระบรมศาสด า, ศาจึงยืนยันว่าสันทิษทิโกบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองอาการลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปัติโก่รองเรียกให้ท่านผู้อื่นมาดูได้ก็ล้องเรียกให้ตนเองมาดูล้องเรียกคนตาบอดมาสนเข็มมันก็สนเข็มไม่ได้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 ไม่สามารถจะถึงพระสสดาบานได้ง่ายผู้ที่จะถึงพระสสดาบาลได้ต้องเป็นผู้มีศีนห้าประจำบริสุทธิ์ไม่เป็นห่วงเป็นใ ย, ยในที่จะร่วงสิกขาบทใดสิขาบทบทหนึ่งเลยถ้าหากว่าร่วงสิขาบทใดสิกขาบทหนึ่งก็ถือว่าเป็นของหนักเท่าแผ่นดินไม่เป็นที่สบายของกิจใจอาทินาทานกาเมมุสาสุราก็เหมือนกัน พระสวัสดิบาลสวัสดาปณะนะเป็นผู้เห็นธรรมแล้วเป็นผู้เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นคอนแคลนเสียแล้วไม่ยอมสื้อถือศาสดาอื่นมาประปนเลยเช่นนางวิสาขาเป็นต้นเช่นโกมารพัฒเป็นต้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นในข้างพุทธการมีมาก ต, มมตั้งหมื่นหมื่นตั้งแสนแสตั้งล้านลานในเมืองราชเกื้ ในเมืองสาวัตถีก็เหมือนกันพระสวสดาบาลพระสกทาคามีพระอนาคามีมีทั้งผู้บวชมีทั้งเพศสมณะมีทั้งเพศฆร า, าวาสในข้างพุทธการภูมิธรรมของพระสวสดาบันในฆ่าขายมนุษย์ไม่ฆ่าขายสัตว์เป็นเรนะื่อองสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษผูงของปัสดาบันาการพนันทุกประเภทปัสสาวะบันเว้นไม่เส่ได้อยากจะทำเลยและถือว่าเป็นทางชิดหายเอาจริงๆไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเลยถือว่าไฟถือว่าเครื่องชิดหายนบายมุกแปลว่าเป็นเครื่องชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปาก จึงว่าอบายยมุขถ้าผู้ใดยอยากถึงพระสวดาบัลก็ไม่ยากมีสินห้าประจำาจะรับเวรลมณีหรือไม่เวรลมณีต่อพระก็าตามเว้นเอาเว้นเอาแล้วกว็แล้วเวระมณีแปลว่าเว้นเว้นจากเวร ปาญาธิปาตาเป็นข้อห้ามเวรบาีเว้นแล้วศิกขาประทางสมาธิามิเป็นสิกขาบทอันหนึ่งหนึ่งเพราะบทที่ปิดประตูไม่ลวกสินห้าถ้าหากว่าเรารักษาให้บริบูรณ์หมดแล้วก็รวมลงมาเป็นสินตัวเดียวอยู่ที่สินใจสมาธิก็มีอยู่ในนั้น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 ที่สินอยู่ละคนละหัวละแห่งก็เป็นสินตามปริยัติถ้าปฏิบัติแล้วก็อยู่แห่งเดียวกนันนั้นก็อาหารอันนี้ก็อาหารนั่นก็แกงอันนั้นก็สารพัดถ้าชั้นรวมลงในปากแล้วก็อยู่ในลาไส้อั น, นเดียวกันนี่ถ่ายก็ถ่ายออกครอบกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลัง ฉันใดกาดีเมื่อเราถ่ายเทยความชั่วออกก็ถ่ายออกพร้อมกันคืเว้นจากภานาทิบาตอตินาการมีมุสาสุราในขณะจิตเดียวแล้วก็เรียกว่าถ่ายเทยออกพร้อมกันถ้าเราเว้นแล้วก็เรียกว่ามารวมอยู่พร้อมกันในเป็นศีล ต, ตัวเดียวเป็นสมาธิตัวเดียวตั้งมั่นอยู่ในศีล เป็นปัญญาตัวเดียวที่รอบครอบอยู่ในศีลเป็นสุปฏิปันโนเป็นต้นของพระพุศาสรศาสนาถ้าพุทธศาสนาเบื้องต้นหมายเอาถึงอย่างนี้เป็นโลกุตระพระหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเพราถึงโลกุตระทำแล้วศีลของปะโสดาบันสมาธิของปะโสดาบัน แล้วความเห็นของพระสวสดาบันเป็นสมาธิิเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเป็นผู้เห็นชอบทีนี้เมื่อจิดถึงพระสวสดาบัลแล้วพระจักทาคามีอนาคามีอหรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือเหมือนกันพอ ร, รวมคิวกันแล้วถ้าขึ้นรถก็ขึ้นคันเดียวกันผิดกันแต่ที่นั่งเท่านั้น ทีนี้สุปเทปันโนก็ดีอุชุกยายะสามีก็ดีพระบรมศาสดาก็ฝากไว้กับมนุษย์และเทวดาฝ่ายมนุษย์ก็ฝากไว้กับพิสุสมัมเนรอุบาสกอุบาสิ ก, กาถ้าภิสุสัมเณิอุบาสกอุบาสิ ก, กาไม่รักษาพระพุทธศาสนาไม่ยินดีในพระพุทธศาสนาจะให้ผีตัวใดมายินดีด้วย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 ตัว อ, อย่างยิงย่งคือพระนิพพานก็เพระศีลสิเรนนะโพขสัมปทาพระสมบัติทั้งปวงมีทานสมบัติศีล ส, สมบัติภาวนาสมบัติเป็นต้นซึ่งปาราลบในภายในตลอดถึงสมบัติภายนอกก็เพราะศีลสิเรนนะนี้ผู้ติงยันติจะไปถึงพระนิพพานก็เพราะศีลเหตุฉะนั้นสังขารนาขั้งที่หนึ่ง พระเรวัตตะและสภะพระส พ, พากามีพระมหากัจจปะพระมหากัจจปะเป็นหัวหน้าจึงปรึกษากับพระอานนท์ว่าเราจะควรทำสังขายนายพระเวนัย ห, หรือพระธรรมก่อนพระเวนัยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาต้องสังขายยายพระเวนัยก่อน ถ้าพระวินัยขาดวินไปแล้วพระธรรมทางหลายก็เป็นไปลาำบากชั้นใดก็ดีเมื่อต้นไม้ไม่มีรากเงาใบและกิ่งก้านก็ไม่สะดวกถ้าว่าศีลของเรามีอยู่แล้วตัดศีลลงในใจแล้วสมาธิปัญญาหรือพระพุทธพรมธรผสมก็ค่อยเป็นไปเอง เพราะเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์ถ้ามีแต่ทานไม่มีศีลเกิดชาติหน้าก็เป็นคนมีอายุน้อยสิ้นลมปลาณง่ายม ร, รณะภาพง่ายถ้าหากว่าขาดทานมีแต่ศีลเกิดในภพหน้าก็เป็นคนจน สมพอได้ก็ไม่ได้สมพรรวยก็ไม่รวยจนทรัพย์ถ้าหากขาดภาวนามีชาติมีภบอยู่อีกเขามาโกหกพกลมให้ยินดีในอะไรก็ไปตามเขาเป็นไม้อยนะเพราะไม่ได้ภาวนาเหตุฉะนั้นทานศีนภาวนาจึงเป็นกำลังของมพุทธศาสนากลมกลืกันเป็นเชือกสามเกลียว ท่าบุรมัสาสด า, าตัดเตือนอยู่เสมอๆวันพระชิดก็ดีญาติโยงก็ดีพุทธบริษัทก็ดีวันคืนล่วงปลายล่วงไ ป, งไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่พร่อะจะเตือนให้เราปฏิบัติเพื่อบรรทุกในสงสารนั่นเองจิตเบื้องต้นให้ยินดีนะมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติภพมสมบัติในทางที่ชอบชุระในเบื้องปลาย่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ สวรรสมบัติผมสมบัติอีกด้วยให้เห็นโทษในความเกิดแก่เก็บตายอีกด้วยเพราะการเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารเป็นของทุกข์ถึงจะเป็นของธรรมดาก็ตามเรามีความเกิดความแก่ความเก็ บ, ค ว, กบความตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาทุกข์เราดีๆนี่เองรสชาติของมันไม่แก่เฉยๆชาติของความแก่ก็คือทุกข์ รสชาติของความเกิดก็คื อ, ค อ, คอทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วก็ร้องไห้กำมือร้องไห้เพราะจะได้มาผ่านทุกข์เหตุ น, นั้นพระบรมศาสาศดาทำเช้นสูงจึงสอนให้เบื่อนหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารไม่ได้สอนให้ติดอยู่จีวรบินทบาทเสนาสนะและเพสัตวสนั้นสอนให้ยินดีตามได้ตามมีเท่าที่มีมาแต่ไม่ได้สอนให้ติดอยู่เพราะเป็นสเสบียง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 ไม่มีใครเป็นเจ้าโลกหรอกอันนี้จังเป็นเจ้าโลกอันนี้จังท่านั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปวนได้แต่สลายทุกท่านั้นแล้วเกิดขึ้นแปรปวนได้แต่สลายก็อันเดียวกันสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงอยู่ในใจโลกธาตุก็ดีสังหาริมาซับก็ดีสังหาริมาซับก็ดีซับที่เคลื่อนที่ได้ก็ดีที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ดีที่มีวิญญาณ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 เห็อยู่ว่ามีกลางวันกลางคืนและก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงด้วยถ้าสักทาคมมีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันเว้นพระรหั์เสียพระรหัสตะมักก็เหมือนกันส่วนอรหัตตะผลเว้นเสียเพระท่านข้ามพ้นไปแล้วที่เรามาอยู่นี่นไม่ใช่ที่ใหม่ ภูจก็ไม่ใช่ที่ใหม่พวกคุณเพิ่งมาก็ตามแต่ว่าได้มาหลายชาติหลายภพแล้วเป็นที่เก่าของพวกเราทั้งหลายนั่นเองภูจก็ก็ดีคัเจีอีกก็ดีประเทศไทยก็ดีประเทศอื่นก็ดีแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นที่ใหม่เป็นที่เก่าของพวกเราที่เคยมาทิ้งซากไว้นั่นเอง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 แต่ท่านท่องที่ออกมานี่ก็ดีเราจะาทากลุ่ท่องเที่ยวมานี่ก็ดีเจ็บไว้ชาตินะโยตเท่านั้นแหละมากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรนะท่านทั้งหลายกระดูกของพวกท่านทั้งหลายเกิดชาติหนึ่งหนึ่งมาท่านทั้งหลายจะเก็บไว้เพียงเท่าหัวแม่มือเท่านี้แต่ไม่ให้อันตราทานไป ก็จะใหญ่กว่าแผ่นดินนี้อะโูเมื่อเป็นดังนี้การท่องเที่ยวของท่านทั้งหลายก็เป็นของเก่าทางนั้นเอสะธโมธนันตนาเป็นของเก่าปุ๊กเพสุเป็นมาอย่างนี้แต่พวกท่านทั้งหลายจําชาติไม่ได้ก็จําเป็นก็ต้องลืมตัว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 แต่ท้าโวดสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้หวังเอายเอาลาบ เ, เ, เอายศกพวกท่านทั้งหลายเลยแต่ถ้าโคดบวชมาอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายาผู้ล่างบาดให้ก็ไม่มีขําที่ไหนก็นอนที่นั่นจนพระพุทธศาสนาจเจริญมาจึงมีพระอา น, นุ์ปฏิบัติเป็นหลักเป็นฐานแต่ก่อนก่อนแล้วก็โซคลนหาอยู่ปฏิบัติอยู่ ยอมเสียสละเพื่อท่านทั้งหลายทรัพย์ทั้งหลายเ้วเอาให้ท่านพวกท่านแล้วเมื่อทาให้ในมีอยู่ตราบใด ก, ก็เท่ากับว่าเราจะทาพอ์ยังอยู่ตราบนั้นท่านทั้งหลายจงเอาไปไปฏิบัติเถิดทำและวไน่ในของเราเองจะเป็นศาสดาแทนของภพท่านทั้งหลายเราไม่ได้ทิ้งวกท่านทั้งหลายา ไ, ไวยใ้ให้เป็นกำพ ร, รา้าดอกมีมรดกวาให้แล้ว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 น้ำผลิพานก็มีอยู่ทุกการบาปก็มีอยู่ทุกการบุญก็มีอยู่ทุกการเมื่อรับตาเข้าก็มีมืออยู่ทุกการเมื่อลืมตาออกก็มีการเห็นอยู่ทุกทุกการดอกบัวสี่เหลาก็มีอยู่ทุกการไม่มีแต่ในขั้งพุทธการดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกเป็นตูมก็เป็นตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้าก็เสมอน้ำเต็มภูมิ ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกบัวแต่ละดอกเปรียบเหมือนแต่ละลายของบุคคลก็เดียวเรียบเหมือนคนในโลกมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเทิ้งที่จะตัดจำนวนของเราก็ยังมีมากมายอยู่เหมือนกันเพื่อจะกันไม่ให้เราสงสัย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 ในปัจจุบันอดีตที่รองมาแล้วเราก็ไม่สงสัยอนาคตรเราก็ไม่สงสัยอีกเมื่อเราไม่สงสัยในโลกโลกเล็กๆแล้ววิญญาณปฏิสนที่ของเราก็ไม่เหื่อเหือมจนลืมตัวปัญหาของเราก็น้อยลงอีกเหมือนกันปัญหาด้านจิตใจของเราก็น้อยลงถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าโลกจะเป็นอื่นนอกจากทุกไปแล้วคงจะมีสุขอยูอเท่า เม็ดงาคาลินอย่างนี้ปัญหาของเราก็มีมากถ้าหากว่าว่าเราถือว่าคำว่าโลกโลกนี่ก็คือรุษขีติติแปลผู้ย่อยยับไปแปลว่าผู้อนละมานอยู่ในกองทุกข์แปลผู้เดินสวนสนามในกองทุกข์ในธรรมชั้นสูงงพระว่าพุทธศาสนาความสงสัยในโลกทั้งปวงความสงสัยในปัญหาของตนทั้งปวงมันก็ไม่มีเมื่อสงสยัยความสงสัยของ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 เพื่อพ้นทุกข์ในสงสารปัญหาของมันน้อยลงแล้วถ้าเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อราบเพื่อยศเพื่อสนอเสวนหรืออะไรต่ออะไรสารพัดปัญหาของมันก็ไม่มากปัญหาจิตของเราก็ยุ่งอีกเหมือนกันก็ปัญหาจิตของเรานะยุ่งเราไม่ใช่ปัญหาอันอื่นจะมายุ่งเราดอกปัญหาความหลงของเรายุ่งเราต่างหาก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 วันล่วงไปล่วงไปริบหรี่ริบหรี่ริบหรี่ลงรับเหลี่ยมเขาชี้ว่าก็เหมือนกันแต่ละชาติละชาติถ้าหากว่าโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บตายให้เห็นอยู่วุ่นวายอยู่อย่างนี้ ปัญหาของเราจะยินดีในโลกทั้งปวงสำพรัโลกเยริรัตะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงเถิดธรรมชั้นสูงออกมาพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจงละอาในโลกทั้งปวงเถิดคำสอนชั้นสูงท่านทั้งหลายจงเห็นภัยในวัฏฏสงสารเถิดให้เกิดภัยแก่ภัยเก็บภัยตายภัยโลกภัยโกรธภัยหลง ภัเวรภัยพสารพัดไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่ตามมาแต่พบก่นก่อนก็มีวุ่นวายที่นี่วุ่นวายเนาที่นี่ขัดข้องเนาะพ ย, ยศบ่นไปเดินไปตามทางพระบรมศาสดาก็ตอบว่าพระบรมศาสดาได้ยินเสียงพ ย, ยศที่นี่ไปวุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านมานี่เถิดนั่งลงเถิด เราจะแสดงทําแก่ท่านกว่จิตใจของท่านไม่มีวุ่นวายเสียแล้วทานข้ามไปเสีแล้วข้ามความหลงของตนไปทแล้วเสียแล้วข้ามทะเลหลงไปแล้วอยู่ฝากฝั่งของทะเลหลงแล้วพาะอนุรุทธะพระยาศาคุณระบุตรท่านเกานั่งฟังเท่านีส้สายท่านบางแล้ว ฉันก็สาเร็จพลังงาข้ามความสงสัยชัวรัตนมือเดียวข้ามโลกชัวรัดนีมือเดียวใดๆในโลกล้วนอนิจจังได้ๆในโลกล้วนทุกขงังได้ๆในโลกล้วนอนัตตามีความหมายอันเดียวกันได้ๆในโลกล้วนทุกก็มีความหมายอันเดียวกัน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 ถ้าเป็นเงินก็ยังไม่มาถึงในวันพรุ่งนี้เยอะนี้มีเงินอยู่ข้างในกระเป๋าด้วยทัง้งในบัญชีด้วยทั้งมีเงินในกระเป๋าด้วยกระเป๋าคืออะไรคือความเชื่อคือความเห็นธรรมคือความรูแ้แจ้งในธรรมเรียกว่ากระเป๋ามีในปัจจุบันด้วยเหตุที่จะสงสัยโลกทั้งปวงก็ไม่มีเมื่อไม่ใส่งสงสัยโลกทั้งปวงการทะเยอทยานในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลง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 มักนั้นมีองแปดประการคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งดำริชอบหนึ่งเจริญใจชอบหนึ่งทำ ง, งานชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งมักแ8ดเดินลงมาเป็นหนึ่งคือในปัจจุบันนะว่าเป็นเสือกเชือกแปกีเกลียวนะั้นรวมลงมาเป็นเกลียวหนึ่งเมื่อสมาสทิฏฐิเห็นชอบในตอนไหนไหนสังกปว า, กก ว, ว, ว, วายากรรมันตวอาชิววายนโมสติสมาธิก็เป็นไปตามกันเพราะห้อยจักพาไป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 ต้องล้านล้านขนาจิตไม่เท่ายินดีในพระนิพพานขนาจิตเดียวเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารสบระงกหรือเหนื่อยไหมฉัน <c oughs> ไม่ค่อยสบายเลยค่ะไม่ค่อยสบายเลยใชที่สมควรกันแล้วหรือยังสมควรกันแล้วนะ ถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามอีกก็พูดไปอีก <laughs> อพวกสั้มาทิฏฐิจึงพากันยินดีในบวชเอ่อมารดาก็ยังไม่เป็นคนแก่ขนาดไหนแต่ฉันมาที่นี่ก็แาหมภาูมิใจแล้วเชิฉันได้มาอยู่ไกลไปไหนฮะ อ, <laughs> อยู่ใกล้กันก็ตาม ต่างคนต่างมีพระพุทธธรรมพระสงค์เคารับนับถืออยู่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมะจะอยู่ขอบฝ้าแดนแ<ถ>ไกลกับเพียงใดก็ต่าง<ถ>เหมือนบวชตั้งพันตั้งห้าสิบพรรษาน่นั่ น, น, น <laughs> ผู้น่าครับเป็นองค์นำทางครับเที่ยวมาฟังเทศเสมอเสมอนี่มาเขาเขาไม่ค่อยพูดดอกนะแต่เขาพูดเก่งหมออ้วนะพูดเก่งอชื่อยังไงลืมไปหมออ้วนสวัยครับสวัยหัวหน้านะสนอีกเสียด้วยไม่เท่ามีเท่าไรขอไปหมดอม่ทู้พาะไม่เท่าล้งปูกไปหมดอ เก็ไว้เป็นที่ระล็กน้องปู่จะมีอะไรแจกลูกหลานมัคะก็มีอยู่เหมือนกันมีอยู่เพราะว่ามาไกลนะอยากแม่เป็นที่มุตโตไทยมีอยู่มุตโตไทยของหลวงปู่มั่นยังไม่ได้นะมันไม่ช่วถึงในกรุงในกรุงเทพมันมีคนหลายล้านมุตโตไทยแล้วพรุ่งนี้จะเอาให้ เมื่อตัวไทยของหลวงปู่มั่นคงจะครบกันมีกี่คนสามหกเก้าคนครบครบอยู่พ่ออยู่กับหลวงปู่นานมสี่พันสามสีันสามพันาที่ห้าไม่ได้จำพันษาที่ห้าเหตุไฉนจึงว่าสี่พันษามจึงว่าห้าพันสาก็มีเหตุผลว่าสองพันสี่รแดสิบเก้า ไปอยู่กับท่าน90 91 92ตอนเดือนพฤศจิกายนข้างแรงถูกแล้วท่านก็สิ้นลมปราณที่นี่ก็รอทำชาปนะจิจอยู่อีก พอเสร็จชาพระนจิต ก, ก็เพเดือนก็ในระหว่างเดือนสามข้างขึ้นมันก็เป็นปีใหม่แล้วทีนี้ค่ า, าก็ว่าในร ะ, ะดูแรงนั่นแต่พอถึงฤดูฝนก็มาได้จำพรรษาอีกเพราะเหตุใดก็เพราะท่านบรณะภาคไปแล้วก็ลงไปหลวงกับหลวงปู่เทศภูเก็ตพังงา สามพันษาแปลว่าสี่พันษาทั้งแรงทั้งฝนต่นั้นฤดูแรงหนึ่งไปเที่ยวเดือนออกกาองค์ท่านไปเที่ยวไปกับหลวงปู่มหาบัวที่แรกไปสององค์สองพันสีร้อยเก้าแปเก้านั่นเอง ออกภาษาแล้วไปเดือนพฤษภาคมก็กลับเข้ามาอีกแต่นั่นก็เลยไม่ได้ไปที่ไหนทั้งแรงทงั้งฝนด้วยเนาปู่มันไม่ใช่ของง่ายๆนะคใครไปเที่ยวปีนี้กลับมาแล้วถามภาวนาไมา่ได้ความมาให้อยู่ด้วย พอไปเที่ยวหากินขนมเขาในเยินเขาทําบุญที่ไหนก็แวะไปแวะไปพูดเก็บเรือเกินน้องปุ่มันถ้าไปเที่ยวกิงกิ้งไปเที่ยวเอเวกิ้งกิ้งมาถามมันก็ต้องได้ความท่านรับจะไปดูหนังสือไปตอบท่านท่านก็รู้จักจะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเป็นเรื่องของตัวเป็นวิชาของตัวไปเอาของเศรษฐีมาเป็นวิชาของตัวท่านก็รู้ ท่านก้มหน้านึกขณะเดียวท่านทานักเลย<ช>เอาคำของคนอื่นมาพูดไม่ใช่ตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้น<ช> <c oughs> ไม่ใช่ของง่ายๆหลวงปู่มัน่นวิชาใดๆที่ปีนเกลียวไม่มีในหลวงปู่มัน่น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 และที่ที่เหรียญอันนั้นอันนี้พอได้พูดก็จะพูดไปซะกระทบกระเทือนใครกไ็ไม่ว่าละโสตายกระทบกระเทือนในโลกก็ตามโซตายแล้วเดี๋ยวนี้เลือดทุกหยดบูชาพระพุทธศาสนาแล้วบูชาพระพุทธธรรมประสงค์แล้วนี่พุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่าน เรื่องบุญฉลองอายุก็ไม่มีในท่านถ้าบุญฉลองอายุไม่มีในท่านเกิดมาใหม่ๆอันนี้ทำบาปวันไหนมันก็ฉลองอายุบาปทำบุญวันไหนมันก็ช่องฉลองอายุบุญท่นนนออานพูดอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องฉลองอยู่แล้ว ท, นะท่นทานพูดอย่างนั้นทำกุฏิวิหารอะไรท่านไม่พลาดฉลองหรอก หับตาเขาก็จะลองมืดท่านพูดอย่างนั้นลืมตากออกก็ฉลองเห็นท่านพูดอย่างนั้นมันฉลองอยู่ในตัวแล้ ว, ลวเราทําอะไรท่านพูดอย่างนี้นที่มาสมมุติกันให้วุ่นแรงส่วนมากสมมุติให้วุ่นกันเอ ง, เองส่วนใดวุ่นกันแองให้เรี่ยงมากให้เรี่ยงโน้นเลื่องนี้เรื่องเก็บศพพระที่ทุลสงฆ์มานานๆก็ไม่มีในองค์ท่านองค์ท่านอ้างเหตุผล เมืองสาวัตถีพระเชตตะวันมหาวิหารอยู่ทางทิศตะวันตกเขียงเหนือไม่เขียงใต้บุพพารามของนางวิสาขาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีแต่ว่าวัดเชตตะวันมหาวิหารนั่นเป็นวัดที่รวมคิวใหญ่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 รายจะขะเหีรายจะขื่นมีเป็นส่วนน้อยหรือสาวสัมีแต่สาวัสถีอย่างการเก็บศพไห้ไม่มีในขัง้งพุทธการท่านพูดอย่างนั้นมาทำการใหม่ท่านพูดอย่างนั้นในยุคบ้านน้องผือ ก็มีพระมรณภาพสององค์ที่นี่การทำชาประนิกษัติอย่างนั้นอย่างนี้หลวง ป, ปู่มหาไม่เอย่ยถ้าเอ่ยมันก็กระทบกระเทือนโลกในปัจจุบันแต่ความจิตเป็นจริ ง, งท่านถวายพระเพลิงในวันนั้นท่านไม่เอ่ยสักท่านอาจารย์มหาท่านเป็นผู้ฉลาดถ้าแต่งเด็ดเดียวเกินไปก็จะมีเรื่อง เวลาท่านออกไปสกลนครที่ท่านในการมหาแตงหลวงปู่มาหาแตงบอกว่าไปสงเครยมนุ่มชุวานอานนก็ดีนายอ่อนมวกคลาดก็ดีนั่นเพื่อแบ่เงเบาแบ่เงเบาครูบาอาจารย์แบ่งเบาครูบาอาจารย์ที่จับมือเซนองค์ท่านออกไปถ้ามาอย่างนั้นมินจะทับครูบาอาจารย์ผู้จับมือเซนองค์ท่านออกไป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 อืมเวลาท่านแต่งหนังสือแล้วก็ไม่ได้ปลาล็อกให้องค์ท่านฟังก็แปลว่าท่านองค์ท่านไม่พอใจไปแต่วัดป่าสุดทวารแต่ก็แต่งไม่ให้ค้าจากความจริงมากแต่ไม่ให้ตรงว่าถ้าตรงก็จะตรงตามความจริงก็ประทับถมครูบาอาการผู้ดึงแขนท่านออกไป ไปสงฆ์ข้อในอกรนกขลาดสงฆ์ข้อยังไงเข้ามาอยู่ทุกปีอพออยู่อำเภอพนานานนี่คมไปสงเฆ์โยมนุ่มชัวนนถ้าหากว่าอยู่ในวัด น, น, น้องผืนสัตก็จะตายมากไปอยู่สกนสัตว์ก็ตายมากมันไม่อิงเขาก็ฆ่าขึ้นอีกฆ่าหกตัวมันเลี้ยงกันใหญ่โคกระบือเขาก็ฆ่าขึ้นอีกมากห้าหกตัว ถ้าหากว่าหลวงปู่มั่นต้องการจะไปมรณะภาพที่วัดป่าสุทธาวาสจริงก็มีสิ่งที่จะแทงอีกเหมือนกันจะแทงว่าหลวงปู่มั่นมักใหญ่ไ่สูงในเรื่องศพที่นี่นั่นะที่นี่สิ่งที่เป็นพยานมีอยู่แล้วในยุค2489มีพระมรณะภาพสองอ ง, องค์ องหนึ่งก็สิแปดพันษาองหนึ่งก็เก้าพันสามนัทธธรรมเอกองเก้าพันษาองคสิบแปดพันษาเป็นอาจารย์ปฏิบัติมานานแล้วท่านก็ทําทำท่าธรรมชาติในกิจในวันนั้นถวายพระเพลิงในวันนั้นโลดพ้หนหลวงปู่ เราปูท่ทำโนดผลทำอาหารเราอายุสามสิบขนาดนั้นเรายิ่งยินดีมาก อ, อ, อาจารย์ของเรานี่ไม่แอบกินกับสบสเจ็บจถิบของลูกศิษย์ถูกกับจริตของเรามากเราเป็นคนมีกิเลสมากไม่แอบกินกับสบสเจ็บเ็บเชื่อกำรรผลของกรรมของตนที่ปฏิบัติเขาก็เลยชาพากรว่าพรกกรรมฐานออกมาหาบุญแล้วจะไปะคอยเอาบุญกาาับใค่ ก็ต้องทำเอาสินี่ส่วนข้าราชกามันก็เป็นเรื่องหนึ่งสนี่ถ้าไม่ทำก็ถูกเตเตือนกันว่าขี้ตหนิว่าขี้เหนียวสารพัดนะส่วนพระของเราจะดักเอาแล้วไว้ดักแล้วไว้ออตังคนสำหรับเราเราเขียนไป็นายกรรมไว้แล้วถ้าขาไพเจ้ามนณนะภาพอยู่ในที่ใด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 ในโลกนี่ใครจะไปเดีดเด่ยวเหมือนหลวงปูม่มันไม่มีดอกไม่มี้ายะ ก, ก็ใกล้อยู่หลวงปู่มหากใกล้หลวงปู่มหาบวชหลวงปู่ฟันก็ใกล้อหลวงปู่เทพก็ใกล้อยู่ใกล้นนะ <c oughs> ลูกผู้เวนนะลูกผู้เวนก็ใกล้เหมือนกันแล้วลูกผู้เวนท่านก็ไม่ทุเลาอะไรไม่ทุเลาไม่ทุเลาอะไรหรอกลูกผู้เว่นมันเป็นเรื่องของพวกลูกลูกหลานๆพวกพวกลูกๆูกหลานๆหาแต่ต่างต่างหาแต่ต่างโอ้ห้องท่านของของท่านไมาเป็นอะไรหรอกลูกผู้เเวนไม่เป็นอะไรหรอกโอ้ห้องท่านของท่านลูกผู้เขาก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของคนอื่น จัดการเลยแตเรื่องของคนอื่นแล้วพวก่ข้าวทนก็ไม่ทุดด้าอะไรหนักที่นี่จมวัดเลยสี่ทุกที่ทุกสี่ตามทำตามทำเนียมของหลวงปู่นั่นแหลพอถึงสิบสองมันก็ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้ ลุกมาเดินตามนี่สามมันก็ออกห้องละสามมันก็ออกล้ล่างหน้าละถ้าหาว่าอยู่ตามปกติดีสามอมันแดงจังก็ทำกิจแดงทำกิจแกมาแล้วมันยิ่งร่ายนะวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าหลับถึงสองชั่วโมงแล้วก็เอาละตาใสเกลีวเลยตาใสเกลยวเลย เรานอนมารายชาติหลายภพแล้วมันพูดอย่างนี้นอนพอแล <c oughs> ้ว่เร่งปฏิบัติมันเป็นยังไงไม่ทราบนะอาหาร <c oughs> ที่เคยมี <c oughs> มรสร้อยเปอร์เซนต์มันก็ยังเหลืออยู่เก้าสิบเท่านั้นมันไม่เหมือนเก่าสียแล้วมันถูกแต่สมมติไม่อร่อย <c oughs> ส่วนสมมติอร่อยนัมันไม่ถูกใช่แล้วทุกวันนี้ ขี้เกียจมาเกิดมาเกะมาเก็บมาตายมานึกมาคิดขี้เกียจจนถึงถึงคิดคุณหลวงปู่ไปพักข่อบกันได้ไม่เป็นผมจะเราจนาเคุณหลปู่สักชั่วโมงบสอชั่วโมงเนียนะแวต่เรื่อสน พอจะพึ่งเดยโยก็ขาเป็นหลับพึ่นอนไปก็ไปเอาก็เอาเอาตามใจใครกวงก็เชิญก่อนนะไปทีนี่เนี้ยเดี๋ยวไฟไฟมีไหมล่ะมีมาเดีกันสิบคน 10คนเลยเดี๋ยวจะขาดคนคือไม่ก่อนไฟมีไหมล่ะไฟมีบิดายังไหมบิดายังอยู่บครัมาไหมวันนี้ไม่ได้มาครับฝ้าบ้านนะบ้านครับหกสิบสครับเกษียณอายุได้2ปีแล้วครับท่านทำงานอะไรเป็นพันจังหวัดครับตำแหน่งขั้นสุดท้ายเออ นี่แต่ก่อนเคยมากับเขาเรื่อยๆนะไม่ค่อยพูดกับเขาดอกก็ไม่ค่อยพูดกับเขามาฟังเขาพูดแต่ว่ามัดหนักเวลาบวชก็ต้องบวชทีนี่เวลาบวชก็ต้องบวชมาชิมดูมอสมัยนั่นมอสมัยนั่นพูดมากพูดพูดเก่งแต่ว่าไม่เท่าคนนี้ันนี้น้ำหนัก ก็าอาศัยก็จะมีลงปู่แล้วก็มีลุงปู่เลยต้องพามาอยู่นี่มาบ่อยเลยพวกนี้แล้วขูบางทีแเราขูมาอะไรมาลอกมองอะไรจะจับไหมหรือไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่จะขอแต่ไมายเท่านั้นเองขอไปทำไมเธอทำไมถึงไม่ทำมาให้ จะมาขอเอาไปหมดหรือเอาไปเป็นมงคลเปนหมดเลยสามอันเอาไปแล้วทำวากิว่เคยไปหาหลวงปู่ฟั <t un> <t un> ่นเหมือนกันทางหลวงปู่ทเองทำเอง